ก่อนที่จะสมาทานศีลอาตมาภาพลูหลวงพ่อไปนสถานที่ต่างๆไปแปลกสถานที่ก่อนที่จะให้ศีลหลวงพ่อจะนํากล่าวหรือว่าแนะนําเรื่องของศีลให้แก่พี่น้องประชาชนศรัทายยาธาญาติโยมให้เข้าใจเรื่องของศีลก่อนเพราะว่าเคยสังเกต ไปณสถานที่ต่างๆที่หลวงพ่อบวชมาก็เป็นระยะเวลายาวนานไปสถานที่ต่างๆพออาราธนาศินและพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นประธานสงฆ์หรือว่าจะมีการแสดงธรรมอย่างนี้ก็เมื่อขึ้นธรรมาตคณะสัตยาติยมอาราธนาสินพระเถระผู้ใหญ่ท่านกำลังจะแสดงธรรมท่านก็จะให้ศินไปเลย โดยที่ไม่ได้แนะนำเรื่องของศีลให้แก่สาาัทวายาทโยมลูกหลานแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วว่าที่พระเถระผู้ใหญ่ท่านก็คงจะคิดว่าเรื่องศีลเพียงห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่กล่าวมุสาไม่ดื่มธุราห้าข้อคงจะเข้าใจแต่หลวงพ่อเองมาพิจารณาดู ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังที่จะรู้ในรายละเอียดเรื่องของสินห้าก็คงจะไม่มีใครอธิบายให้ฟังคงจะไม่ลึกซึง้งเพราะนั้นเมื่อไม่ลึกซึง้งก็คิดว่าสินห้าเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุผู้ที่ไม่มีการงานแล้วสมควรที่จะเป็นผู้รักษาศี เพราะนั้นหลวงพ่อเองมาพิจารณาดูแล้วศินเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนถ้าว่าพวกเราต้องการความสุขความร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมสมควรอย่างยิ่งทุกคนต้องเป็นผู้เป็นผู้มีศินหรือราษฎรไ ม, ไ ม, ไ ม, ม่ไม่ถึงกับจะรักษาศินได้ก็ให้ถือคุณค่าของศินว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อ มนุษย์ของพวกเราเพราะศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วเป็นศีลที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างลุงพ่อจะอธิบายให้ฟังตั้งแต่นะโมตัสสะหรือว่าจะอธิบายตั้งแต่มะอย่างพันเตก็ได้นะมาอย่างพันเตติสระเนัสาหะปัญจะศีลานิยาจามะหรือมาอยางพันเตวิสุงวิสุงรักขัน า, ายะ ติสรเนศสหปัญจศีลัญญาจามะอาราธนาศีลห้าศีนห้าอันเดียวกันแต่ทำไมจึงมีสองมาตรฐานวิสูงวิสูงและปัญจศีละทำไมไม่พูดอันเดียวกันอันนี้ถ้าหาว่าพวกเราท่านทั้งหลายสังเกตก็คงจะคิดในใจอีกเหมือนกันเว้นเสียแต่ว่าไม่ได้สังเกตเขาว่าอะไรไปก็เราเขาว่าตามเขา แต่ถ้าว่าเราสังเกตเราก็จะเอ๊ะทำไมรักษาขอสินห้าเหมือนกันทำไมจึงคูดสองมาตรฐานหรือสองแนวทางอย่างนี้ความแปลและความหมายว่าอย่างไรเนะี่ยถ้าพูดสังเกตนะ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังว่าไม่อย่างพันเตมิสูงวิสูงแต่ว่าวิสูงวิสูงคำนี้ก็คือข้าพรเจ้าขอสมาทานศินเป็นข้อๆตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าแต่ถ้าว่าเราเ ประมาทแล้วว่าเราล่วงละเมิดศินข้อที่1แล้วข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อก็จะขาดเป็นข้อๆไปอันนั้นเราบอวิสูงวิสูงแต่มืยังพันเทพติชรเนนัสหปัญจะเนี่ยให้ข้าวว่าข้าพเจ้าจะรักษาสินห้าทุกทุกข้อทั้ง5ข้อพร้อมกันแต่เมื่อขาดสินขาดก็ขาดรวมกันทั้ง5ข้อแปลว่าขาดทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าวิสูงวิสูงเนี่ย ถ้าําว่าเราไปดื่มสุราจ้ะก็สินข า, ขาดข้อที่ข้อที่5ายัางเหลืออีก4ถ้าหาว่าเราไปโกหกเขาก็ขาดไปสองอยังเหลืออีก3อันนี้ละ่ะวิสุงวิสุงนะอันนี้ก็ขอให้พวกคณะจตทายาจมเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะได้เรียนให้ทราบนะอันนี้คือคำอาราธนาสิ่งอย่างนั้นก็นเรากล่าวณโมตัสสาร เราทำํำไมเรารักษาเราจะสมาทานศีลเราทําไมจึงกล่าวณโมะณโมตักสะภควะตัวระหะตัวสมาสามพุทธะคือศีลห้าที่พวกเราจะรักษาที่จะสมาทานนี้เป็นศีลของพระพุทธเจ้าบัญญัติเนืเ้อว่าเป็นแนวความคิดแล้วว่าเป็นพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พุทธบริษัทคืออุบาสกอุบาสิกาศีลห้าเป็นศีลคุ้มของโลก ถ้าว่าโลกทั้งโลกต้องการความร่มเย็นเป็นสุขต้องมีศีลห้าศีลห้าพราะพุทธเจ้ารับประกันได้เลยว่าท่านบอกว่าผู้ใดก็ตามมีศีลห้าผู้นั้นจะไม่ตกนรกจะไม่เกิดเป็นสัตว์ติรฉานจะไม่เป็นเปรตจะไม่เป็นคนพิโกงพิการเพราะศีลจะคุ้มคุ้มครองผู้ที่รักษาศีลห้าอันนี้แหละคือ ศีเลนสุขติงยันติศีเลนโพก็สัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติอันนี้คือศินเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับศินเราจึงกล่าวน้โมคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนคือพระพุทธพระ พ, พุทธเจ้าเป็นต้นาศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นความคิดเรื่องศีลธรรมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับรับสินห้าที่เราพิจารณาดูแล้วว่าศินห้ามีคุณค่ามีประโยชน์ ก่อนที่เราจะรับมาปฏิบัติเราจึงนอบน้อมต้นความคิดคือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็คือนะโมตัสสะปะกวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะเข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนะโมนะจากนั้นก็พุทธทงังทำมังสังขังสรานางคัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งดุติยามปีพทธทงธรรมังสังขังสรนังกัจฉามิตาติยามปียืนยันถึงสามครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นแนวทางเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองประกาศพระธรรมคำสอนของพระองค์ออกมาพวกเราเป็นที่ยอมรับพระธรรม 84% ดหมี่พันพระธรรมมะขัน พวกเราพิจารณาในมุมไหนพวกเราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดถ้าหาว่านํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้แก่พวกเราพวกเราจะรู้พระธรรมได้อย่างไรเพราะนั้นพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดี เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะั้านเราจึงนอบน้อมหรือว่ายึดพุทธทางธรรมังสรานางคัจฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์สินปาณาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าเพราะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดี ถ้าเราไปฆ่าเขาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาคณาญาติของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาเสียใจยอย่างมากเมื่อเราไปฆ่าเขาถ้าเขามาฆ่าเราก็เช่นเดียวกันเราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าคิดฆ่ากันให้เคารพสิทธิ์เ่งกันละกันอันนี้ก็คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรามนีอย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจย ถ้าเราไปขโมยของเขาก็เช่นเดียวกันถ้าเขาเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขามาเรียกค่าไถ่อย่างเนี้ยเราเขาเสียใจมั้ยถ้าเขามาทํากับเราเราเสียใจมั้ยเสียใจอันนี้ก็คือการขโมยมันขโมยใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าขโมยเล็กๆน้อ ย, น, อยนะนการขโมยข้อ ท, 3, ทาาารรี่สามกาเมซุมิสาจาราวรมณีสามีภรรยายลูกหลานของใครเขาก็รับสังวนหัวงแหนของเขา ถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันอันนี้ข้อให้สํารวมระวังศินข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจสมมติว่าเงินไม่มีในบัญชีอย่างเนี้ยเราเขียนเช็คให้เขาอย่างเนี้ยถ้าเขาไปเบิกแล้วเขาไม่ได้เงินเนี่ยเขาเสียใจไหมถ้าเรา ถ้าเราไปโกหกเขาเขามาโกหกเราอย่างนั้นเราเสียใจไหมเสียใจเพราะนั้นสินห้าของพระพุทธเจ้าถ้าสรุปลงมาแบบง่ายๆหรือว่าสรุปลงมาแบบจบเดียวก็คือว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าหากว่าเราไปทำให้กับเขาเขาก็ต้องทุกข์ใจถ้าเขามาทำกับเราเราก็ทุกข์ใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุข ถ้าหาความมีศีลและข้อศีลข้อที่หสุราเมรยะมัชชะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าว่าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วพอเมาสุราเข้าไปแล้วแล้วก็ของเสพติดเข้าไปแล้วเนีคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนทุกวันนี้มีเยอ ะ, เ, อะเมื่อเสพเข้าไปแล้วคนนั้นขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าใครก็ได้ ขโมยใครก็ได้้ลาบลประรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะฉะนั้นศิน5้าข้อที่หนี่คือสุราเนี่เมื่อขาดจิติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นขอให้คณะจัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนเมื่อได้ยินฟังได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้กล่าวอธิบายเรื่องศินให้ฟังแล้วก็นำไปคิดกันกรองใจตรองเหตุและผลว่าจริงไหมที่หลวงพ่อได้พูดนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ส้ำรวมระวังเป็นหน้าที่ของใครจะเป็นผู้รักษาศีลเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบพร่มเย็นเป็นสุขในประเทศชาติในชุมชนในกลุ่มของเราพวกเราจะต้องรักษาศีลถ้าว่าใครมารักษาศีลก็ตามแต่ข้าพเจ้าคนหนึ่งล่ะเห็นคุณค่าที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเออใช่ถูกต้องข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของศีลข้าพเจ้าคนหนึ่ง จะเป็นผู้รักษาศินใครจะไม่รักษาก็ตามให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนหนึ่งรักษาศินถ้าหากว่าพวกเรามีความตั้งใจมีความเห็นโทษหรือว่าเห็นคุณในศีลแล้วนับหนึ่งจากข้าพเจ้าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสก็จะบวกกันขึ้นเป็นร้อเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจากนั้นก็เป็นผู้มีศีลธรรมอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปณักสถานที่ใด ก็ไว้เนื้อเชื่อใหญ่ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัทา ย, ยาธิยมลูกหลานทุกคนเมื่อได้ยินเรื่องศินห้าที่ อ, อธรรมาภาพได้กล่าวหรือแนะนํานี่ก็ขอให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นในศีลและธรรมตอนนี้ไปเมื่อพวกเรารู้คุณค่าของศินห้าแล้วต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้กล่าวพานําสมาทานศีล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 มานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทาย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 อันนี้สงแห่งการฟังธรรมจากนั้นก็สุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษามาก่อนจะเกิดปัญญาขึ้นมานั้นไม่มีทางเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่ว่าชุดสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นกันกรองไตตรองเหตุและผลว่าเป็นความจริงไหมถูกต้องไหม อันนี้ว่าจินตามะยปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบผ่านความสงบแล้วนํามากันกรองไตรตรองเหตุและผลที่เรื่องนั้นๆที่เราศึกษามาเรื่องนั้นๆเมื่อเราจิตใจส ง, สงบแล้วเราจะรู้ได้ว่ามีเหตุผลมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้คือเป็นหลักของพระพุทธศาสนาคือว่า จะจัดว่าเป็นวิปัสสนาก็ไม่น่าจะผิดน ะ, เ, ะเมื่อผ่านความสงบแล้วนะภาวนามายะปัญญาภาวคือทําจิตใจให้สงบแล้วนํามาพิจารณากานกลองไตร่ตองเหตุและผลเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัต ย, ยายาตโยมทุกๆท่านตั้งใจฟังถ้าใจฟังแล้วก็จึงคงจะได้รับอัทรรถการได้ยินได้ฟังไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นหาโอกาสอย่างนี้หาได้ยาก หลวงพ่อเองก็มาที่วัดสังฆทานแห่งนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตของหลวงพ่อควาดายเพราะหลวงพ่อเป็นพระป่าพระดงจริงๆไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาคราวนี้หลวงพ่อมาเห็นก็เห็นคณะสัตา ย, ยาธิยมทุกหมู่ทุกเหล่าก็เต็มไปหมดแต่หลวงพ่อก็ได้นำา MP3 สส่วนหนึ่งถ้าหากว่าคณะัต ย, ยาติยมผู้ใดอยากจะฟังธรรมเทศนาหรือว่า ฟังดูแล้วเอออยากจะฟังอีกหลวงพ่อมี MP3 มาแจกนะขอให้ทางผู้ติดตามของหลวงพ่อเริ่มแจกได้เลยแล้วนะเ p 3มเมื่อหลวงพ่อแสดงธรรมจบแล้วเพื่อนำเพื่อศรัทธาญาติโยมอยากจะได้ยินได้ฟังศึกษาต่ออีกว่าหลวงพ่อเนี่ยพูดอย่างไรบ้างเพราะ MP3 ของหลวงพ่อนี่แต่ละแผนน่นใช้เวลาถึง13ชั่วโมงนะ 13ชั่วโมงดูหรือการหนึ่งมามี20กว่ากัน เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้น เ, เพื่อเป็นแนวความคิดเพื่อการศึกษาสำหรับพวกเราเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้นทะีแสดงธรรมแล้วนะที่นี้นะนะโมตัสสะปะโกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลาธรร ม, มาอากุสลาธรร ม, มาอัพยากตตาธรร ม, มาขยัวยธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาตีติ วันนี้อาตมาภาพได้มาเป็นองค์แสดงธรรมเพราะว่าหลวงพ่อสนองกะตะปุญโญพันษาสี่สบแปดเกิดวันที่ห้าเมษาแต่หลวงพ่อเกิดวันที่ยี่สิบ็แล้วก็เออหลวงพ่อเกิดแปดสบแปดหลังของหลวงหลวงพ่อสนองปีหนึ่งหลวงพ่อสนองบวช ปีศูหลวงพ่อบวชปี08ถ้าจะว่าไปหลวงพ่ออ่อนกว่าแต่คราวที่ไปไล่เลียงอยู่ที่แบงค์ชาตินะหลวงพ่อว่าเขาว่าหลวงพอว่อนี่บวชก่อนหลวงพ่อสนองนะแต่มาคราวนี้หลวงพ่อมาอ่านดูข้อนี้บวชปีสองห้าร้อยเจหลวงพ่อบวชปี08นแะแต่ถึงยังไงก็ท่านเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวก เราคณะสัตย า, าติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งหลวงปู่สังวานกับองค์หลวงตามหาบัวของเราพวกเราในฐานะสิทธิ์ขององค์หลวงตาถือว่าหลวงปู่สังวานเป็นเอ่อญาติผู้ใหญ่ที่หลวงตาให้ความเอ่อนับถือเอ่อเพราะหลวงปู่สังวานก่อนนับถือองค์หลวงตาหลวงตาก็ให้ความเอ่อเมตตาแล้วว่า เ, เป็นสหธรร ม, มิก สององหลวงตาท่านดูดูแลท่านเมตตายอย่างมากๆที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในอากัปกิริยาของหลวงตาปฏิบัติต่อหลวงปูส่สังวานของพวกเราจากนั้นพวกคณะสิทธิานุนสิทธิ์ของหลวงปู่ของเราก็มีหลวงพ่อสนองกะตะปุญโญเมื่อหลวงปูส่สังวานผ่านไปแล้วก็หลวงพ่อสนองเป็นผู้ดําเนินการจากนั้นเมื่อ มีงานอะไรเกิดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาไม่ว่างานกระถินไม่ว่างานผ้าปา่าไม่ว่างานลงตาไปแสดงธรรมนสถานที่ใดเพื่อหาทองคาเข้าคลังหลวงในช่วงนั้นหลวงพ่อสนอง g ของเราก็พาคณะสัตยาติยมเป็นกําลังหลักในการเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรงทานเรื่องอาหารก็เป็นที่ยอมรับของคณะสิทธิญนุสิทธิขององค์หลวงตา วันนั้นมาในครั้งนี้หลวงพ่อสนองเองท่านก็ได้ล่วงลับดับขันตามอายุสังขารหรือ ว, ว่าตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าท่านว่าเราแต่หลวงพ่อกําลังแสดงธรรมอยู่นี้ก็เถอะไม่รู้จะยืนยาวไปสักเท่าไหร่เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่บัดนี้ท่านหลวงพ่อได้ไปก่อนพวกเราคณะสิทธิอนุสิตขององค์หลวงตา ยิ่งพร้อมใจกันลำลึกถึงพระคุณของหลวงปูส่สังวานเป็นเบื้องหน้าเพราะเหมือนกับหลวงปู่กับหลวงตาของเราเมื่อหลวงตาของเราให้ความเมตตาเคารพเมตตาต่อหลวงปูส่สังวานพวกเราในฐานะศิษย์ทั้งหลายก็ให้ความเคารพในหลวงปูส่สังวานของพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นก็ให้ความสําคัญในพี่ๆน้องๆลูกหลานของหลวงปู่เหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะว่าไปมาหาสู่กันมีอะไรก็เกื้อกูลหนุนกันมาตลอดเพราะฉะนั้นมาในคราวนี้พวกเราจึงได้รวมกันคื้ที่เป็นสิทธิญาณุสิทธิขององค์หลวงตาได้พร้อมกันจะมาสวดฟังสวดอภิธรรมในวันนี้และก็จะได้ถวายผ้าบังสกุลตามทำเนียมประเพณีต่อไปเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่ง ที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งความกระตันยูกตวเวทีตาในครูบาอาจารย์ทุกระดับชั้นในเมื่อท่านผู้ใดผ่านไปก่อนตายไปก่อนพูดง่ายๆในพวกเราในฐานะทุกสิทธิานุสิทธิที่เป็นสหธรรมิกที่อยู่เบื้องหลังก็ได้ช่วยเกื้อกูลหนุนกันช่วยกันจะทำยังไงจึงจะสาเร็จร่วงไปได้ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลเพราะนั้นขอให้พวกเราใ ห, ให้ช่วยๆกันทําหน้าที่สิทธิอนุสิทธิท์ให้ดีที่สุดแต่พร้อมใจพร้อมกันหลวงพ่อขอกล่าวตักเตือนและย้ำํำพ่อหลวงพ่อเนี่ยเคยทํางานงานพระราชทานเพลิงไม่รู้กูบายอาจารย์ไม่รู้กี่องค์พ่อหลวงพ่อบวชมาจะเป็น สมรเายน้อยจนถึงอายุถึงขนาดนี้แหะอายุเกือบจะเข้า70แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อผ่านเรื่องราวมามากพอสมควรเพราะการงานใหญ่ๆอย่างนี้หลวงพ่อไม่ได้ตำหนิว่าพวกเรามีมีความไม่พร้อมเพียงสมัครีกันแตกสมัครีกันหลวงพ่อจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะคนส่วนมากถ้าอยู่ด้วยกันความไม่เข้าใจกันมีเกิดขึ้นได้ง่ายและเกิดเกิดขึ้น ในชุมชนหรือกลุ่มของพวกเราแต่ถึงยังไงถ้าว่าพวกเราจิตใจเป็นธรรมมุ่งหวังเพื่ออะไรถ้าจิตใจเป็นธรรมมุ่งหวังเพื่ออะไรทำไมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่องานสิ่งไหนจะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ลดคฐิมานะของตนเองลงจากนั้นก็มองในแง่เหตุแง่ผล อย่างนั้นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืองานทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะหนักหนาขนาดไหนถ้าพวกเรามีความพร้อมเพียงสมัคคีในหมู่ในญาติในคณะของพวกเรางานนั้นก็จะสำเร็จรุร่วงไปด้วยดีแต่ถ้าว่าพวกเราเอาแต่ทิตฐิมานะเ่อมาห้าหั่นกันหรือว่าไม่ลงรอยกันงานจึงจะเป็นงานเล็กอองานน้อยขนาดไหนก็จะก็หาความสำเร็จรุร่วงไปได้แต่ยาก เพราะนั้นความพร้อมเพียงสมัครีตัวนี้ก็คือทิฏฐิทุกคนก็ต้องมีทิฏฐิคือความเห็นทุกคนต้องมีความเห็นด้วยกันแต่มานะคือความแข็งกระด้างแต่ทิฏฐิคือความเห็นทุกคนก็มีความเห็นอยู่แล้วแต่มานะคานี้ความแข็งกระด้างคานี้ต้องมีเหตุผลแต่ถ้าว่ามีไม่มีเหตุผลในแข็งกระด้างโดยมากเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไง่ายงาแต่ถ้าว่าพวกเรา แข็งก็ได้ก็จริงแต่ข้าพรเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดหลักพระธรรมวินยัยให้แข็งแกร่งอันนี้เรียกว่าถ้ามีมานะแต่มานะให้มีความแข็งแกร่งต่อศีลธรรมต่อหลักพระธรรมวินยัยอันนี้ก็น่านับถือเลื่อมใสศรัทธาแต่ถ้าว่าอ่อนปวกเปียกไปหมดไม่มีมานะเลยเน่ยเอาเขาทำอะไรก็ทําไปตามเขาเพระธรรมวินัยไม่มีศีลไม่มเีเพราะว่าอ่อนแอ ไม่มีมานะคือความแข็งในสิ่งในทางที่ถูกต้องอันนั้นก็ถ้าจะว่าไปเป็นผลเสียจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องมานะคำนี้แข็งกระด้างครวนี้คือแข็งกระด้างด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าด้วยธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรพวกเราให้ยึดตามแนวแถวนั้นอันนี้ก็คือ ให้มี mana คือความแข็งกระด้างเพราะฉะนั้นขอย้ําเตือนแก่คณะัต่าญาติโยมลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายให้เป็นผู้มีความให้พร้อมเพียงสมัครีกันมีอะไรปรึกษาปราัรบกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งถ้าว่าพวกเราทําอย่างนั้นได้งานทุกอย่างที่จะงานหนักหนาขนาดไหนก็ตามงานสิ้นนั้นจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะไม่มีอุปสรรคนานับประการคือผู้ใหญ่ก็คือเป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อยก็คือผู้น้อยอันนี้ก็คือการทำงานร่วมกันจะให้ไปอย่างที่ตัวเองต้องการทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะนานาจิตตังนานาทัศนะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขาแล้วก็ฟังเหตุฟังผลมีเหตุผลอย่างไรในการนำาเนินการถ้าพวกเราทำใจอย่างนั้นเปิดกว้างอย่างนั้นหลวงพ่อมั่ น, นใจว่า ง, งานทุกอย่างจะสเร็จร่วงไปด้วยดีนะ อันนี้ก็คือความพร้อมเพียงในหมู่ในคณะแต่กระพร้อมกันวันนี้หลวงพ่อเองจะได้พูดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของพวกเราในหลักของพระพุทธศาสนาขอย้ําเตือนแก่พวกเราในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนคารวาสญาติโยมก็ให้มืมีทานมีศีล คำว่าทานคำนี้คือทานะคือการเสียสละแต่ถ้างบอกพอกกกอวก เ, เราไม่มีการเสียสละการอยู่ด้วยกันมากมากน้อยต่างคนก็ต่างอยู่ไม่มีน้ําผิดน้ําใจต่อกันไม่มีการเสียสละต่อกันพ่อแม่กับลูกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หมูหมากาไก่กับเราก็อยู่ด้วยเราไม่ได้เพราะเราไม่มีการเสียสละเพราะฉะนั้นทานะคํานี้ถ้าใ น, ในหลักของพุทธศาสนาและกว้างขวาง คืออามิตรทานทานะคือคืออามิตรทานคือการให้อามิต อ, อ, อภัยทานคือการให้อภัยซึ่งกันและกันวิทยาทานก็คือการให้ความรู้แก่เขาที่เขาด้อยกว่าเราที่เขาไม่รู้เราก็ให้วิทยาทานกับเขาและก็ธรรมทานคือชี้นำในทางที่ถูกต้อง ในเรื่องทำคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมาอย่างไรเราที่รู้แล้วเราก็แนะนำสั่งสอนถ่ายทอดให้แก่บรรดาน้องๆทอทางหลายหรือคณะทธาญาติโยมทั้งหลายให้นำไปคิดนำไปพิจารณาอันนี้คือทานศินกายยีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสินห้าสหรับครวาทญาตโยมศินห้าก็คือศิน คุ้มครองโลกที่ได้อธิบายไปแล้วนั้นแล้วสำหรับศีลพระของพระพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาแนวหน้าพระสงฆ์ที่เป็นว่าเป็นผู้นำนำของพระพุทธศาสนาคือแต่งตัวยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มนี่ก็คือมีผ้ากาสาวพัดและก็ปองผมแล้วก็ใช้ผ้านี้เรียกว่าแปลว่าเข้ามาอยู่วงในเต็มที่ แต่สรุปแล้วก็คือพวกเราอยู่ในพุทธบริษัทสี่ภิกษุสัมมาเนนุบาสุอุบาสิกาคาว่าบริษัทคํานี้ก็คือเหมือนกับบริษัทจํากัดบริษัทห้างร้านต่างๆอันนี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพุทธบริษัทคือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยู่ในสถานะไหนก็พยายามทําตนให้อยู่ในสถานะนั้นให้ดีที่สุดในขณะที่ เราเป็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อ เ, เป็นพระที่เป็นที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาหลวงพ่อเองจะพยายามทำตนให้ดีที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างของสิทธิานุสิทธ์ถ้าว่าลูกศิษย์ก็ตามเป็นพระน้อยพระหนุ่มก็ทำพยายามทำตัวให้ดีที่สุดอย่าให้ครูบาอาจารย์หนักใจกับเราเสิ่งไหนที่เป็นธรรมเป็นวินยัยพวกเราก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยนั้ น, น, นสาหรับศรัทธาญาติโยมก็เช่นเดียวกัน เป็นพุทธบริษัทเป็นคณะศรัทธาญาติโยมเราก็รู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกถูกสิ่งไหนควรไม่ควรอย่างไรเราก็าพยายามทําตนให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ทําตัวอย่างให้ลูกค้องเราดูเ อ, อเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ทําหน้าที่เราก็ท อ, อตัวอย่างให้ลูกศิษย์ดูนี่แหละเมื่อเราเป็นปู่ย่าตายายก็เราทํา ตัวทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อเป็นปู่เป็นย่าตายายก็อยากจะให้หลานของเราดีเราก็ต้องทำดีให้หลานของเราดูเมื่อเป็นครูบาอาจารย์อยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ดู <_ d> um> เมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีเราก็ต้องทำดีให้ลูกของเราดูเพราะนั้น <_ d> um> พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยากจะให้คนอื่นดีเราต้องทาดีให้เขาดู ไม่ใช่หว่าเราทําความไม่ดีให้เขาดูแล้วเขาจะดีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะสัตยาญาติโยมทุกทกทุกคนอันนี้คือการเป็นอยู่จากนั้นก็เรื่องสมาธิสมาธิคํานี้โดยมากจะไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนโดยมากมีแต่พูดเรื่องทานเรื่องศีลจะเป็นส่วนมากแต่เรื่องสมาธินานๆพวกเราจะได้ยินครูบาอาจารย์พูด เรียงลำดับให้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อเองจะเรียงลำดับให้คณะทศไทา ญ, ญาติโยมให้นำมาประพฤติปฏิบัติคือหลวงพ่อจะนำแนวแถวสายหลวงปู่มั่นให้พวกเราได้ศึกษาแต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่ว่าหลวงพ่อจะยกหลวงปู่มั่นข่มคนอื่นไม่ใช่พวกเราจะไปคิดอย่างนั้น คือหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อจะยกขึ้นมานี่ก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งในบรรดาทางเลือก ห, หลายๆทางเลือกอย่างพระพุทธเจ้าวางวางกรรมฐานไว้40อย่างคือมี40ทางเลือกแต่หลวงปู่มั่นของเราเนี่เป็นทางเลือกหนึ่งในบรรดา40กรรมฐานนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจตามตามนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์ในยุคนี้สมัยนี้มีมากลากหลายแต่พวกเราภาวนาไปหรือปฏิบัติไป เดี๋ยวก็ทาตามองนั้นเดี๋ยวก็ทาตามองนี้มันก็เลยไม่เจริญก้าวหน้าไม่เก้าวหน้าไปได้เพราะเหตุไรเหมือนก็เราปลูกต้นไม้เมื่อเราปลูกแล้ววันสองวันก็ย้ายตน้นแล้วก็สองสาวันย้ายตน้นผลในสูดต้นไม้นะ่นจะใหญ่ได้อย่างไรเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้จริงจังเราไม่ได้ทำให้ต่อเนื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าองค์ไรถ้าฟังหลวงปู่มั่นก็ปฏิบัติตามหลวงปู่มั่น แล้วก็ฟังองค์อื่นปฏิบัติตามองค์อื่นผลในสุดก็เลยหาความจริงจังและจริงใจไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะในจิตใจของเราก็เลยอ่อนอกอ่อนใจผลในสุดก็เดินไปที่ไหนไม่ถึงไหนอันนี้ก็ขอฝากไว้กับคณะสัตยา ญ, ญาติโจมทุกหมู่ทุกเหล่าผู้ที่สนใจในภาคปฏิบัติอันนี้หลวงพ่อเคยแนะนํา ห, หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเคยบวชบวชมาจะเป็นสัมมาเนน ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อแต่เป็นเป็นเนนน้อยหลวงพ่อก็เห็นว่าการแนะนําของครูบาอาจารย์นะจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะว่าบางคนก็ถึงจะเรียนรู้ทางโลกมาก็จริงอยู่แต่พอมาสู่ธรรมะนี่เราก็ไม่ได้สนใจแต่วิธีการจะทํำขั้งแรกเรื่อเราจะทํำยังไงฮ่อันนี้แหละหลวงพ่อก็มาพิจารณาดูว่าการ ทำข้างแรกเนี่เดินข้างแรกเนี่ยเราจะเดินอย่างไรเพราะนั้นขอหลวงพ่อจะขอแนะนำเป็นขั้นตอนอันดับแรกอย่างพวกเราอย่างวันพระหรือว่าพวกเราจะมาจะมาทานศีลแต่ถึงยังไงหลวงพ่อว่าเรื่องศีลเนี่ยเราจะมองข้ามไม่ได้ศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีถ้าว่าพวกเราไม่มีศีลประจำกายวาจาแล้วพวกเราจะทาอย่างอื่นมันก็คล้ายๆกับ มันไม่อย่างลากไม่ลึกแต่ถ้าว่าพวกเรามีศีลสมาทานศีลข้าพเจ้าจะงดเว้นในการถ้าการรับศีลไม่จำเป็นจะต้องมามารับมารับกับพระทุกครั้งถ้าว่าตื่นนอนมาวันนี้วันอาทิตย์หรือวันพระหรือวันในพรรษานี้เออข้าพเจ้าไม่ได้ไปไหนข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าหรอรักษาศีลอุโบสถในวันนี้ เราตื่นขึ้นมาเออข้าไปเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าไปเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าไปเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกรรมข้าจะข้าไปเจ้าจะไม่โกหกใครข้าไปเจ้าจะไม่ดื่มสุราในวันนี้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพียงเราตั้งจิตอธิษฐานเพียงแค่นี้แหละก็ว่าวิรับเจตนาแปลว่าเป็นศีลแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องมารับศีลกับพระทุกครั้งไม่จําเป็นเราตั้งจิตอธิษฐานเท่านั้นแหละตั้งจิตความมุ่งมั่นคือเจตนา รักษาศีลเราก็เป็นศีลแล้วเพราะฉะนั้นเราคิดดูซิในพระไตรปิฎกพระเวทสันดรไปอยู่ในป่าโรงพงไพรพระสงฆ์ที่ไหนจะไปให้ศีลท่านท่านก็รักษาศีลในปา่าหรือศีชีภัยคงเหมือนกันท่านไปอยู่ในปา่าท่านก็รักษาศีลของท่านด้วยความสัตด์ความจริงของท่านก็เป็นศีลแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องศีลไม่จําเป็นจะต้องรับกับพระแต่เมื่อมีโอกาสอย่างนี้เออออกเราก็มารับกับหมู่กับเพื่อนเป็นกลุ่ม เป็นสาธารณพิธีอันนี้ก็เป็นคุณงามความดีอีกส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเราอยู่ตามลำพังเราจะรักษาศีลตามลำพังก็ได้ตามหลักธรรมคำสอนแต่พวกเราคิดดูซิว่ามหาชนกนะลอยน้ำในในกลางมหาสมุทรพอเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระจันทร์ตกดินตกน้ำทะเลท่านโอตะกอนถ้าเป็นวันนี้เป็นวันวันเดือนเพ็ เราควรจะรักษาศีลจากนั้นท่านก็เอาน้ำบ้วนปากเสร็จแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถในกลางทะเลนี่แหละเป็นศีลแหละเพียงแค่นั้นแหะตั้งจิตอธิวิราชเจตนาก็เป็นศีลแล้วเป็นศีลในกลางทะเลท่านจะหาพระที่ไหนไปให้ศีลท่านให้เป็นผู้พานาสมาทานศีลท่านวิราชเจตนาท่านก็เป็นศีลแล้วนี่แหละศีลถ้าเรารู้จักรู้เรื่อง การรักษาศีลไม่ยากจากนี้นเมื่อเรารักษาศีลพอเป็นพื้นฐานแล้วทีนี้เราจะทำวิธีการปฏิบัติภาวนาเราจะทำยังไงหลวงพ่อแนะนาทุกผู้ว่าเรามีห้องพระในบ้านของเรา เ, เราก็เข้าไป เ, เราจะไม่ต้องจุดทูปนะแต่จุดทูปมันเป็นควันควันขึ้นมามันลมตัวเองเอไม่ต้องจุดหรอกมิถัจุดกระจุดเทียนหรือว่าจุดไฟฟ้าจากนั้นเราก็กราบอลาหังสวากาโตสุปฏิปโน ก่อนที่จะเข้าห้องพระเนี่ยวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์เราปิดได้ก่อนเพราะเราจะเข้าทาพิธีเราจะต้องทำจิตใจให้นิ่งหนึ่งชั่วโมงถ้ามันจะรวยก็คงจะลุ่มไม่คงจะไม่รวยถึงขนาดนั้นนะถ้าจะจนก็คงจะไม่จนเพียงหนึ่งชั่วโมงนะเราตัดไว้ก่อนเอาเอาทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องให้เป็นธรรมที่สุดในหนึ่งชั่วโมง 24ชั่วโมงเราเสียสระหนึ่งชั่วโมงเพื่อปฏิบัติตนให้เป็นพุทธมามะกะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนั้นคื อ, อ, อให้มีความตั้งใจ ม, มีความมุ่งมั่นจากนั้นก็เข้าไปกราบพระอรหังสวาวคาโตสุปฏิปนันโนนโมตตะออขอนอบน้อระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเราก็แผ่เมตตา แผ่เมตตาอาหารสุกิโตโหมินิโตโโหมิอเวโรมิอปยาปโชอันนี้เราจะแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีก็ได้แต่ถ้าหลวงพ่อเนี่ยแนะนำแนะนำให้พวกเราแผ่เมตตาด้วยภาษาใจหรือภาษาคนตนเองเข้าใจง่ายๆเมื่อเมื่อเราไหว้พระจบแล้วเราก็นั่งปนมือให้จิตใจนิ่งข้าพเจ้าขอเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตอบ พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายวงสาคนายญาติญ า, าติมิตรสหายเจ้ากรรนายเวรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อทุกขวิญญาณทั้งหลายทั่วไกลโลกธาตุถ้าท่านผู้ใดก็ตามตกทุกข์ใดยากขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีผู้ใดท่านผู้ใดก็ตามมีความสุขอยู่แล้วขอขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกๆวิญญาณด้วยเถิดอันนี้คล้ายๆว่าเราแผ่เมตตาคนที่มีเมตตาไปอยู่ณสถานที่ใด เวรภัยก็จะไม่มีมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาพวกเราไม่มีเมตตาไปอยู่นักสถานที่แต่เราคิดไปฆ่าเขาเขาก็คิดฆ่าเราเขาด่าเขาเขาก็กระดาเราเราอิดช้าเขาเขาก็อิดชาเราเพราะฉะนั้นทำคําสอนของพระเจ้าเมตตาทำค้าจุนโลกเพราะนั้นขอให้พวกเราอยู่นักสถานที่ใดให้มีเมตตาเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์แผงเมตตาเสร็จแล้วเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือจะนั่งพับเพียบก็ได้แต่ตามไม่จริง นั่งขัดสมาธิอันนี้คือทางที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องเพราะว่านั่งสมาธินี่ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งตัวตรงเรานั่งขัดสมาธิจากนั้นเราป น, นมือขึ้นระหว่างอกอันนี้คือสอนวิธีการภาวนาเเป็นขั้นตอนนะปนมคือมือขึ้นในระหว่างอกเสร็จแล้ว เราไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรทมโมสังโฆพุทโธธรทมโมสังโฆพุทโธธรทมโมสังโฆสมจบเมื่อไหวค้ครูเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาอีกรอบหนึ่งก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขเดี๋ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นก็เอามือลงพอเอามือลงกําหนดลมหายใจเข้าพุท หายใจออกโถแต่ได้ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าออกไปบวชไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคนต้นโพเออที่พุทธคยาพระองค์ไปค้นคว้าศึกษาอยู่หกปีวันที่ท่านได้ตัดรูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นในปฐมยามคือตอนหัวค่าท่านนั่งคัมมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้พวกเราศึกษาในพระไตรปิฎกหรือปฐมสมโพอ์หรือพุทธประวัติพวกเราจะได้ยินอย่างนี้อันนี้คือกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นได้จากนั้นพระองค์ก็ได้ตอนหัวค่ำก็ได้ พอพระไทยได้ใจขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเบอกปุเพเนวาสานุสติยานรละลึกชาติผลหลังได้ได้หลักหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตว่าหลักของพุทธศาสนาแล้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดทําไมถ้าพระพุทธเจ้าถ้าตายแล้วสูญพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไงอันนี้เราพระพุทธเจ้าพอพระไทยด้วยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง พระ อ, องค์ล้ำลึกชาติขวนหลังได้เจ้าปุบเพย์นวาสานุตติยานเรามาจากไหนมามาเกิดในชาตินี้โอ้มาจากสวรรค์กําลังเราจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิทตเอพรมเทวดาอราธนาเราลงมาเกิดนะพระ อ, องค์ก็รู้แท้เอแล้วก็ก่อนหน้านั้นไปที่ไหนอา้าวกอนหน้านั้นคือเราเป็นพระเวสสันดรก่อนที่จะขึ้นไปะไปสู่สวรรค์นี่แหละพระ อ, องค์รู้ได้หมดเรียงลําดับได้อันนี้ว่าปุบเพย์วาสานุตติยาน สรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกก่อนที่จะรู้ได้พระไทยได้ใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์มองดูคนอื่นมองดูสรรพสัตว์ว่าคนนี้เกิดมาจากไหนมาเกิดที่นี่แล้วออกจากนี้จะไปไหนอันั้นเราบ่าจุตูปะปาตายานการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์เพราะมีที่ไปมีที่มาทําไมคนเกิดมาไม่เหมือนกัน คนนี้ทำไมฉลาดคนนี้ทำไมจึงโง่คนนี้ทำไมถึงรวยทำไมถึงทาไมถึงจนทำไมคนนี้หูหนวกตาบอดทำไมไม่เหมือนกันเกิดในพ้องแม่เดียวกันก็ไม่เหมือนกันทาไมอันนี้คือพระพุทธเจ้าอะจุตูปะปาตยาการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทาถ้าทำดีเขาจะต้องมาเกิดเป็นคนดีไปในทางที่ดีถ้าเขาทากรรมชั่วเขาก็จะเกิดมานมาชั่ว ให้พวกเราสังเกตถ้าว่าอันนี้คืออดีตกรรมส่วนปัจจุปัจจุบัน น, นีกกรรมนี้ก็เถอะนะพวกเราเกิดมาสมัยเป็นเด็กให้พวกเราสังเกตถ้าเด็กคนไหนเกิดมาแล้วขี้เกียจไม่เรียนหนังสือแล้วก็เป็นคนโง่ออแล้วพวกนั้นเด็กคนนั้นเมื่อใหญ่ขึ้นมาจะได้เป็นผู้ใหญ่เป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้เพราะเหไรเพราะว่ากรรมคือการกระทาสมัยเขาเป็นเด็กเขาไม่ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ตึงไม่ตั้งใจศึกษาเพราะท่านจะเขาจะเป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลาย อ, อถ้าว่าต้องโอกตั้งใจเรียนหนังสือแต่สมัยเป็นเด็กต่อไปอนาคตก็ อ, อมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเขาทํากรรมดีตั้งแต่ต้นอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านมองดูแล้วว่ากรรมคือการกระทําในอดีตคนที่ทํากรรมไม่ดีไว้ ในอดีตมาปบเกิดพบนีชาตินี้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างพระโมคคลาที่หลวงพ่อเคยยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เขีนชัดเจนอย่างพระโมคขลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจา้าอาักเหอเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหากตําดินบินบนได้อีกต่างหากเป็นผู้มีอิทธิฤทธิเป็นผู้ที่เป็นเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัทในยุคสมัยครั้งพุทธกาลคือนอกจากพระสารีบุตรแล้วก็คือพระโมคคลา พระสารีบุตรคืออัครสาวกข้างขวาพระโมคคลาเป็นอัครสาวกข้างซ้ายแต่ทําไมผลสุดท้ายทำไมพระโมคคลาถึงถูกโจลฆ่าคนทั้งหลายโจดขานกันพระสงฆ์ทั้งหลายก็โจดขานกันว่าทําไมพระโมคขลาจึงถูกโจลฆ่าไม่น่าจะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะท่านโมกคลาเป็นผู้เป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นที่ยอมรับของพุทธบริษัทพระพุทธองค์บอกว่าโมกคลาตายสมควรแก่กับ กรรมคือการกระทำในอดีตโมกคลาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาในอดีตพอมาถึงพบนี้ชาตินี้กรรมตัวนั้นตามสนองใช้กรรมกรรมคือทำไว้แล้วในอดีตเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเน้นเรื่องของกรรมกรรมคือการกระทำดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเวลาอักตังดุกตังเซโยปัตชาตปฏิดุกตั ง, ยยตตต ก, ตงกรรมชั่วและความชั่วจะทำเสเลดีกว่า เพราะความชั่วนั้นจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องพุทธศาสนากรรมคือการกระทําอันนี้มาพูดถึงพระพุทธเจา้าได้ตรัสรู้ที่โคลนต้นโผพยว่าปุเพเนวาสานุสติยาและลึกชาญทุนหลังได้แต่นี้มาพูดถึงหลวงปู่มั่นท่นี่ที่เป็นที่หลวงพ่อจะยกประเด็นขึ้นมาเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรที่สันสอนจิตญาณุสิทธิ์ของท่าน สอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นโดยมากท่านจะสอนให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักท่านบอกว่าการภาวนาพุทโธเนี่ยเกือบถูกกับทุกจริตแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าถูกกับทุกจริตไม่ใช่นะเกือบทุกจริตการภาวนาแต่นี่เวลาภาวนาขาขวาทับขาซ้ายอย่างที่ว่ากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่หลวงตามหาบัวที่ท่าน ได้บอกกล่าวกับคณะศิทธว่าตะก่อนหน้านี้เราเองกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่ได้บริกรรมพดโถจิตใจมันหลุดได้ง่ายแล้วก็เผลอไผแล้วก็หลุดแล้วก็หลุดบ่อยๆเพราะในสุดเราเออเราขาดคําบริกรรมหรือเปล่าจากนั้นเลยตั้งจิตอธิษฐานใหม่ว่าอา้าวข้าไปเจ้าจะบริกรรมจะไม่ให้เผลอเวลาหายใจเข้าบริกรรมพด หายใจออกวิกรรมโถเดินขาขวาพดเดินขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพดเวียงซ้ายโถมีสติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกๆอย่างแต่หลวงพ่อเองได้ยินช่วงหลังๆได้ยินว่าเออพวกเรานะทําไมจึงเอาพระพุทธเจ้ามาเหยียบย่ําบนฝ่าเท้าจะไม่ขาดความเคารพเหลือ อ, อ, อันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินหลวงพ่อก็ได้บอกไปเออ เราจะไปคิดมากคณะรัตยาญาติโยมหมู่พวกเพื่อนน้องน้องนุ่งทางหลาย เ, เพราะว่าใจของเราเนี่ยเราคิดดูสิว่าในร่างกายของเราเนี่เราคิดว่าหัวสูงใช่ไหมเท้าต่ำใช่ไหมใครเป็นคนให้สมมุติใจของเราเป็นคนให้สมมติใช่ไหมขามันก็ไม่ได้ว่ามันสูงหัวก็ไม่ได้ว่ามันสูงขาก็ไม่ได้ว่ามันต่ําแต่เราไปให้ความสมมติในขาในหัวของเราแต่ตามไม่จริงถ้าเราให้ความสําคัญแต่หัว ว่าเป็นของสูงเราตัดขาสิงมือสิเราจะเดินได้ไหมหัวจะเดินได้ไหมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายสองสำคัญด้วยกันทั้งหมดเสมอกันหมดไม่มีอันไหนสูงไม่มีอันไหนต่ําที่สูงต่ำก็คือส่วนเราเ อ, อ, เ อ, อ, เอามาถูกให้ถูกสมมติเท่านั้นเองอันนี้เราพิจารณาเป็นธาตุเออเป็นความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมแล้วร่างกายของเราเสมอกัน เ, เพราะฉะนั้นเราจะกําหนดจุดไหนก็ได้ ให้มีสติสัมปชัญญะในการในการกําหนดนั้นๆเพราะฉะนั้นทหลวงตาท่านบอกว่าเมื่อท่านกําหนดภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโธปัดกวาดก็มีสติสัมปชัญญะวันแรกทันวานะเออเป็นการที่ทรมานที่สุดหนักที่สุดเพราะมันจิตใจมันมันอยากจะออกนอกลูก่นอกทางแต่บังคับนะนี่แหละอันใหม่ๆเราต้องบังคับท่านนะเพราะนั้นองพวกเราท่านทั้งหลายต้องบังคับนะ เรื่องก่อนที่จะเข้าสู่จิตใจจิตใจจะเข้าสู่ความสงบท่านเปรียบเทียบลวงตาท่านบอกเหมือนกับเด็กเด็กมีคนไหนบ้างที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วพ่อแม่ไปส่งไปเรียนหนังสือถ้าจะไปก็ไปวันแรกซะเองวันต่อมากก็งองแงละ่ะไม่อยากจะไปน้อยมากที่เด็กตั้งใจแล้วไปเรียนหนังสือได้โดยที่ไม่งองแงนี่ละนี่ก็เหมือนกันเพราะเด็กทั้งหลายไม่เห็นคุณค่าในการศึกษา เขาเห็ น, นั่นเขาเด็กทั้งหลายจิงงองเองี่แต่ถ้าว่าพวกเด็กเห็นต่อไปเมื่อพ่อแม่บังคับเขาเห็นว่าการเรียนการศึกษาเป็นหนทางของลูกของเราเพราะฉะนั้นลูกของเราต้อบังคับให้ลูกเรียนในเมื่อเขาเห็นคุณค่าแล้วต่อไปเขาเห็นคุณค่าแล้วขยันเองนี้ก็เหมือนกันการภาวนาเบื้องแรกเนี่ยเราต้องบังคับแต่ ถ, ถ้าว่าต่อไปเราบังคับจิตใจของเราก็สู่ความสงบ เป็นพื้นฐานแล้วท่นี่นั่นแหละท่นี่ความขยันมันมาเองถึงไม่ต้องบังคับเลยทีเออความขยันมันเหตุโทษมีแต่ทํำยังไงจิตใจของเราจึงจะสงบทํำยังไงจิตใจของเราจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะถึงแดนพระนิพพานให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องเร่งจะต้องประพฤติธปฏิบัติถึงเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะกรรกมาฐาน40อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอน ท่านหลวงปู่มันทว่าให้ยึดกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มัน่นแต่หลวงพ่อขอแนะแนวอีกส่วนหนึ่งนะแนะนำให้แก่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้สังเกตดูซิหลวงพ่อแนะแนวคือหายใจเวลาภาวนาเนี่ยเวลาให้นับทุง น, นะพราะเราถนัดในการนับนะนับหนึ่งสสาสี่เวลาหายใจเข้านับหนึ่งเวลาหายใจออกนับสอง เวลาหายใจเข้านับสามเวลาหายใจออกนับสี่นับไปถึงร้อยถ้าไม่เผลอแปลว่าใช้ได้เออแปลว่าเราสติของเราอยู่หนึ่งนาทีกว่ า, วาแต่ถ้าวันมันเผลอมันเผลอมันเผลอ ช, ช่วงไหนช่วงไหนมันเผลอบ่อยไหมถ้ามันเผลอบ่อยแสดงว่าไม่เป็นผลดีสําหรับเราถ้าเผลอบ่อยเนี่ยคนขาดสติบ่อยๆเป็นผลดีไหมเออมันพร้อมที่จะเป็นเป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น เผลอมันเป็นยังไงเวลาหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี่นะการัศ ท, ทายญาติโยมนะเวลาหายใจออกเป็นเลขสองสองสามสี่ห้าหกขี้คู่ขี่คู่ขี่คู่ไปถึงร้อยมันจะเผลอในช่วงไหนถ้ามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์ซะก่อนพอเบอร์เสร็จแล้วมันก็ น, นับผิดนับถูกไปเลยเอีอ่ยเวลานับเลขเก้าหายใจออกเออเลขสิบหายใจเข้าอันนี้แปลว่ามันเบอร์ละเออเรียกว่าหายใจเข้า เป็นเลข12หายใจออกเป็นเลข13เลยตามให้จริงเวลาหายใจเข้านะเป็นเลขขี่เวลาหายใจออกเป็นเลขคู่นะี่ยนี่แหละเราจะสังเกตได้ง่ายในการภาวนาของเราไม่ต้องถามใครว่าข้าพเจ้าเนี่ยหลุดหลุดเร็วขนาดไหนสติของเราเนี่แกข่งขนาดไหนหลุดได้เร็วขนาดไหนอันนี้คือสมถนะิฐที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเลยคือการภาวนาจุดนี้คือสมถะ แต่เวลาเวลาเดินวิปัสสนานะั้นเดินอย่างไรสิสมถะและวิปัสสนาสมถะหรือสมาธินี่คือทำจิตใจให้สงบแต่วิปัสสนาเดินปัญญานั้นเราจะเดินอย่างไรอันนี้แหละต้องศึกษาอีกที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านอธิบายแล้วว่าท่านแนะนำในการเดินวิปัสสนาเนี่ยก็คือให้พิจารณาร่างกายเจสาผมโลมาขนนขาแลทันตาฟันตะโจหนัง ให้พิจารณาเห็นร่างกายสังขารว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเอไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายเมื่อกลายไปสู่สภาพให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของไมปที่ย่งไม่มั่นคงนี่แหละอันนี้คือการพิจารณาทางวิปัสสนาสมสถะคือทําจิตใจให้สงบวิปัสสนาคือการพิจารณาการกลองไตร่ตองหาเหตุและผลเพราะนั้นในการ จะพิจารณาทางวิปัชนานั้นก็ขอให้พวกเราศึกษาในรายละเอียดเพราะว่าปัญญาในกว้างขวางมากเรื่องสมถานี่ไม่กว้างขวางนะงสมถะนี่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธินี่อันนี้ไม่กว้างขวางแต่พอเดินวิปัสสนาทอนนั้นแหละกว้างขวางมากคณิกะสมาธินี่พวกเรากันคงอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงคณิกะนี่ก็คือเวลานั่งสมาธิบังคับหรือว่า ทำจิตใจให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งพุทโธพุทโธอย่างนี้นะเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจใจของเราไม่เผลอพอใจไม่เผลอใจของเราก็รวมสงบร่วมขณะหนึ่งแล้วว่ามันเย็นวาบหรือว่ามันมีแสงสวง่างหรือว่ามันมีความสุขในชั่วประเดียวประดาวขณะหนึ่งอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเกิดเริ่มเป็นสมาธิแล้วนะจากนั้นมาเราพยายามดูใจของเราอีกไม่ให้มันเผลออีก สติเป็นอะไรเออเราคิดเรื่องอะไรสติของเราคิดได้แต่ว่าเราจะได้ยินเสียงเอ่อนกเสียงร้องเสียงรถเสียงฟ้าร้องเสียงคู่เสียงคนแต่ใจของเราไม่ส่งไปตามไปตามที่เสียงที่ได้ยินนะเออแค่ว่าเราดูใจของเราควบคุมใจของเราอยู่นิ่งเออแต่เราได้ยินเสียงอยู่เรารับรู้ทางกายทางหูอยู่อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ แต่เมื่อเราทําจิตนิ่งลงไปอีกจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่รับรู้ทางกายว่าเรานั่งอยู่ณสถานที่ใดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงรถเสียงลาเสียงพูดสังคนไม่ได้ยินทั้งหมดมีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เราจิตจะเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิก็เข้ามาสู่อุปจารสมาธิ เมื่ออุปจารสมาธิกับพิจารณากรรมาฐานเกสาโลมาเรียก ว, ว่าพิจารณาร่างกายกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดเสียอาหารใม่อาหารเก่าพิจารณาแยกแยะดูร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจอใจของเราไปหลงร่างกายใช่ไหมร่างกายในเป็นของเราใช่ไหม ร่างกายไม่ใช่ของเรานะพราะพระเจ้าท่านให้พิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิทธินั้นสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละการพิจารณาร่างกายในว่าเดินวิปัสสนาสรุปแล้วก็คือวิปัสสนึกสก่อนเราต้องใช้วิปัสสนึกสก่อนต่อมาเมื่อพิจารณาการกรองไตตองวิเคราะห์แล้วมันเห็นตามความเป็นจริงแล้วยอมรับแล้วอันนั้นแหละ ว, วิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริง เพราะ น, นั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกทกท่านนะนี่แหละเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตในจิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสให้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะเห็นโทษแล้วนี่แหละวันนี้อาตมาได้ยกเป็นพุทธภาษิีเบื้องต้นว่ากุศลาธรรมมาจิตที่เป็นกุศลปินเป็นกุศลคือสิ่งที่ พวกเราทําอะไรที่เป็นกุศลมีให้ทานรักษาศีลภาวนาอันนี้จิตที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาจิตที่เป็นบาปจิตที่เป็นอกุศลมีการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติปนิกามหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีเรียกว่าอากุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาจิตที่เป็นที่เป็นกลางๆลางแต่ได้ยากนะจิตที่เป็นเป็นกลางกลางอัพยากตาจิตเนี่ย เ, เพราะนั้นพวกเราสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราควรจะส่งเสริมสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนก็ดีที่มันไม่ดีเราจะไปส่งเสริมเพราะพรุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่ากุศลใดก็ตามหนึ่งก็ดีสองก็ดีมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรบำเพ็ญให้มากจิตที่เป็นอกุศลทีจ่จิตที่เป็นบาป อกุศลหนึ่งก็ดีสองก็ดีสามก็ดีที่มันเกิดขึ้นแล้วกิจที่เป็นอกุศลอื่นแต่ที่มันยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นเหตุนั้นควรละเสียนะอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นหลวงพ่อได้กล่าวเป็นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพานวาจาสุดท้ายพระองค์ได้ตรัสสอนพวกเราท่านทั้งหลายว่า ขยะวยธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ดูออสังขารทั้งหลายเราเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้เกิดมาแล้วก็ต้องถึงจุดจบถึงจะมีบุญหนักศัก์ใหญ่ขนาดไหน ตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนผลในสุดก็ถึงมรณะภัยคือความตายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านก่อนที่จะถึงจุดนั้นพวกเราควรจะไปยังประโยชน์ตนคือบําเพ็ญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาวเป็นคนดีจากนั้นก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์หลวงตาเป็นตัวอย่างทั้งทั้งประโยชน์ตนของท่านก็บริบูรณ์ ทั้งประโยชน์คนอื่นท่านก็หาทองคําเข้าคลังหลวงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละประโยชน์ตนของท่านก็ไม่ขาดตกบกพรองประโยชน์คนอื่นช่วยเหลือชุมชนสังคมก็บริบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าว่าพวกเราทําได้อย่างนี้คือปฏิบัติตามำคําสอนของพระพุทธเจา้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานในวันเดือนหเพนจวนจะสว่างพระพุทธเจา้าตรัสว่าขยาวยะธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะซัมปาเดท่าติ พวกท่านทั้งหลายสังขาดทั้งหลายไม่เที่ยงขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดอีกไม่ตรัสอะไรอีกต่อไปจากนั้นก็ทําการปรินิพพานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกเหล่าคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านแล้วก็ที่หลวงพ่ อ, อได้พูดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอการเป็นอยู่ เรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลแล้วจากนั้นก็นเรื่องภาวนาในพระพุทธเจ้าบําเพ็ญอย่างไรที่ท่านได้ตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านภาวนาอะไรกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่นี้มาเปรียบเทียบกับองคหลวงปู่มั่นของเราหลวงปู่มั่นท่านสอนให้บริกรรมด้วยนะสำทับบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโทด้วย เ, เพื่อจะให้มันยึดมั่นในกรรมฐาน องคหลวงตาท่านก็บอกว่าท่านได้ผลเมื่อตะก่อนท่านกําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆมันหลุดได้ง่ายแต่พอบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบประกาศในตนท่านองคหลวงตาประกาศได้แล้วว่าจากนี้ไปจิตใจของเราจะไม่เสื่อมอันนี้คือหลวงตาประกาศให้ตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่ลุงพ่อได้กล่าว เรียงลําดับให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังหลวงพ่อแนะนําเรื่องของศีลศีลเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีจากนั้นก็เรื่องภาวนาไหว้พระอย่างไรทําตนอย่างไรจากนั้นก็ไหว้พระไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาแล้วก็ยึดพุทธโธอย่างที่หลวงปู่ของเราหรือว่าท่านผู้ใดถนัดทางไหนอันนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้ง40ิบอย่าง ที่หลวงพ่อได้ยกตัวอย่างคือตัวอย่างหนึ่งคือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนสิทธิ์ยามิสิทธิ์ของท่านท่านบอกว่าบริกรรมพุทธโธเนี่ยเกือบถูกกับทกจริตน่ยท่านว่ายอย่างนั้นคนนั้นขอให้พวกเราจริงจังและจริงใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเราจะสมหวังดังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างองค์หลวงปู่มั่นหลวงพ่อยกแล้วบอกอีก พวกเราได้เกิดมาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เ, เห็นไหมหลวงปู่มั่นเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปอธิธานุกระดูขกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์อื่นที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านเมื่อล่วงลับดับขันไปเมื่อไปชมเพลิงแล้วก็อธิธาตของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นอีกนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วคือพวกเราเกิดม า, าในในพื้นแผ่นดินไทยไม่เปล่าประโยชน์ พระอรหันยังมีอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยถ้าว่าพวกเรานํามาประพฤติธปฏิบัติแล้วพวกเราก็จะสมหวังจะมีความสุขแปลว่าไม่เปล่าประโยชน์ในเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยยังมีพระอรหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินแล้วก็ท่านก็สอนอีกว่าแล้วการดําเนินเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาดําเนินอย่างไรปฏิบัติอย่างไรพวกเราได้ ถ้าได้ฟังได้ศึกษาล้วนแล้วจะมีเหตุมีผลถ้าพวกเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะประสบสำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็อำนาจบุญบารมีของหลวงปู่สังวานของพวกเราหลวงปู่ใหญ่ของพวกเราและก็หลวงพ่อสนอง พวกเราขอให้คุ้มครองพวกเราลูกหลานทุกคนขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทอญ